ผู้ทวีสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับท่านกลับมาหลังจากที่พักกันในเสราร์อาทิตย์ผ่านไปสําหรับรายการ ส, ามสัมม น, นาสนทนาก็มาพบกันอีกในวันนี้นะคะวันจันทร์แล้วเราก็จะพบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันแบบนี้ก่อนที่จะพักเสราร์อาทิตย์กันไปอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์แปลว่า พูด ง, ง่ายคือรายการเรานั้นมีทุกวันจัน์ถึงวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์วันละครึ่งชั่วโมงนั่นแหละคะ่ะทางสถานีวิทคิวครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสาระหลักในรายการก็คือคําสอนของพระาศาสดาทั้งธรรมและวินยัยที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษนณน ะ, ะเริ่มต้นรายการเราก็มาแบบเดิมๆแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือให้ท่านนั้นได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะ โดยการนำของพระมาร์ชชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งทุกวันที่ท่านมาท่านก็จะมีให้ในส่วนของพระสูตรวันละพระสูตรด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามฟังกันคะ่ะนมัสการคะ่ะท่านมา ค, คะ่ะ